ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งมันเขามีคนคนหนึ่งนะขี้เมาขี้เมาเนะี่ยอยากจะไปหลอกไอ้ไอ้เขามีคนนึ่งอะแบกเนื้อมาแบกแพะมาแบกเนื้อมาจะเอาเนื้อไปขายก็เป็นนายพรานอ่ะนะขี้เมามันวางแผนกันห้าหกคนบอกเราจะเอาเนื้อมัไปกินดีกว่าบอกทํายังไงก็บอกไอ้พวกบอกสิคนที่หนึ่งบอกแกแบกหมามาทำไมวางกับดักคนที่หนึ่งบอกเออแบกหมาไปไหนเฮ้ยแพะเนื้อหมาที่ไหนล่ะ คนที่สองก็ไปา้เดินผ่านไปคู่คนที่สองไปอีกเอ้าเอาหมาไปไหนเพื่อนเฮ้ยเนื้อนะเอชักเปิื้มเอะใจเหมืนกันนะคนที่สามก็ไปบอกเฮ้ยเอาหมาไปไหนเนี่ยเอ๊ะอาจจะใช่ก็ได้นะคนที่สี่คนที่ห้าไปห้ า, ห, าหกคนละเครี้ยงทิ้งเลย น, น, นะว่าเออใช่หมาจริงๆไอ้คนมีแต่ใครก็มาพูดอย่างเงี้ยนะในที่สุดพวก น, นั้นก็เอาไปกินเหล้าโม่ไปแกล้มเหล้าหมดนะบางคนนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันนะพอเขาเอาอะไรนะหลอกนี่ๆนนนนหน่ๆก็ มาเชื่อแล้วเนี่ยนะท่านชาวพุทธของขอ ง, ของเราเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมพอเขามาขายคนอื่นที่ดีกว่าพระพุทธคิดว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าก็กลับหันไปหาคนอื่นไปโม้ดเนี่ยนะดีไม่ดีเอาไปเอามาไปนับถือพระโพธิสัตว์มากกว่าพระพุทธนะเอาไปเอามาก็เลยงงไปหมดแล้วเอเอเกิดอะไรขึ้นหนักๆเขา้าพระพุทธเจ้าชักมาก็ดีแล้วไปเลื่อมใสคนโน้นไปเลื่อมใสคนนี้แง่งงอนแงนน่นง น, นนะคนโน้นมาว่าทีคนนี้มากระสิบทีคนโน้นกระซาบที ไปหมดเลยเนี่ยไปห่างจากพระพุทธเจ้าไปหมดเลยเขาว่าดีเขาว่าดีเนี่ยนะก็เลยพระพุทธเจ้าไม่ดีเลยคันนี้เพรั้นใครพูดถึงพระพุทธเจ้าเขาไม่สนใจแล้วเั้นอันนี้เรียกว่าพวกที่งอนแง่นนะเนี่งอนแง่นเพราันเจอลมปากเป่าพรวดเสกซ้ายเสกขวาเสกหน้าเสกหลังก็เลยถอนสลักถอนศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าไปหมดเลยนะขออยากได้เราเป็นขอเราอยากได้เป็นอย่างนั้นเลยเนาะใครที่เป่าลมปากมาพรวดพลาดเข้าไปเนี่ยเสื่อมหมดเลย อีกคนหนึ่งพระโสดาบันนั้นเป็นผู้ถึงความตกลงปลงใจในธรรมอย่างนี้ว่าธรรมะอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยตรัสไว้ดีแล้วท่านตกลงใจเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ผิดแน่นอนพูดดีพูดถูกเป๊ะไม่พลาดเป็นสันทิธิโกเป็นธรรมที่เห็นได้ด้วยตนเองเขาบอกว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทข้อคําสอนทุกชีริตไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่ปลายขนทราย แล้วผู้ใดปฏิบัติก็เห็นได้คืออริยมรรคมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองอริยมรรคนั้นเมื่อเกิดขึ้นให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นของดีเป็นของประเสริฐเลิศที่ควรเรียกให้มาดูได้เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาปฏิบัติหมายาว่าอริยมรรคควรน้อมให้มีในจิตของตนนิพพานก็ควรน้อมใจไปรู้ เป็นธรรมที่อุคติตันยูวิปัญจิตันยูและนยะบุคคลก็รู้ได้ด้วยตนเองพระนิพพานเป็นที่คลายความเมาเป็นพี่เพิกถอนแหง่งมานะนี่นะข้อความกวละนี่เอามาจากไหนเอามาจากหน้า68บดที่กล่าวถึงอะไรที่กล่าวว่าเป็นธรรมที่ หายจากความเมาในความเป็นตัวตนเป็นธรรมที่กําจัดความกระหายคือตัณหาเป็นธรรมที่ถอนอะไรคือตัณหาอย่างไม่เหลือเป็นธรรมที่ตัดวัตฏะกการวนเวียนเป็นธรรมที่ว่างจากวัตฏะการวนเวียนเป็นธรรมที่ได้โดยยากอย่างยิ่งเป็นธรรมที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นธรรมที่ปราศจากตัณหาเป็นธรรมที่ดับทุกพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่สงบวัตฏะทุกขเป็นต้นนั้นอันนี้เป็นคํายกย่องถึงคุณของพระนิพพานพระอริยสาวกเนี่ยนะ ท่านตกลงปรงใจอย่างนี้แน่นอนไอ้คําว่าตกลงปลงใจเนี่ยมันไม่ตกลงแบบธรรมดาเนี่มันตกชนิดที่เรียกว่าเปลี่ยนไม่ได้เชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆเรื่องแกล้งเชื่อแกล้งเ ช, ชื่อหรือว่าไงเขาาว่าดีอะนะเราอยากเป็นพระโสดาบันเอาแกล้งเชื่อซะเลยเมาเรื่องใช่ไหมแกล้งเชื่ อ, อยังไงมันก็ไม่เชื่อจริงหรอกเพราะว่าถ้าเชื่อจริงก็ต้องเห็นได้จริงๆอะนะต้องเห็นอริยสัจจริงนั่นแหละเจงจะ มีความมั่นคงที่แท้จริงนี้ข้อต่อไปบอกว่าอันหนึง่งเครหอขัดและบรรพชิตผู้ประพฤติ ธ, ธรรมร่วมกันเป็นที่ปรารถนารักใคร่ชอบใจของพระโสดาบันนั้นคือพระโสดาบันเนี่ยนะท่านมีศีลเสมอ ก, กันกับพระโสดาบันมีทัศนคติที่เสมอกันเท่ากับพระโสดาบันด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านจึงพอใจรักใคร่ซึ่งกันและกันด้วยอํานาจ มีเมตตาต่อกันนะนะไม่ใช่มีตันหากับการแต่หมายถึงว่าท่านมีเมตตาต่อกันและกันอย่างนางวิสาขาก็เลื่อมใสในพระอานนุ์เป็นต้นน่ยนะข้อสุดท้ายอันหนึ่งพระโสดาบันนั้นประกอบด้วยศีลอันพระเรียเจ้าพอใจเป็นศีลที่ไม่ขาดเป็นศีลที่ไม่ทะลุเป็นศีลที่ไม่ด่างเป็นศีลที่ไม่พร้อยเป็นศีลที่ไม่ใช่เป็นาธาตุของตันหาและทิฏฐิเป็นศีลที่วินยูชนสรรเสริญ ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงาเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยนะหมายความว่าศีลเนี่ยส่งถึงสมาธิสมาธิส่งถึงปัญญาปัญญาก็ส่งถึงวิมุตต์เป็นต้นเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาปติมัคศีหรือองค์แห่งความเป็นพระโสดาบันศีคือ1นศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงสองถึงความตกลงปลงใจเชื่อในพระธรรมอย่างแน่นอนสาอะ น, นะ เป็นผู้ที่ประพฤติธรรมร่วมกันกับพระโสดาบันอื่นๆเป็นต้นสี่มีศีลที่พระอริยเจ้าพอใจนี่นะผู้ที่ประกอบด้วยองค์ของเป็นความเป็นพระโสดาบันสีประการเหล่านี้เมื่อต้องการทราบพึงพยากรณ์ตนเองได้เลยว่าเราเป็นผู้อะไรนะหมดสิ้นนรกแล้วหมดสิ้นกาเนิดเดรัจฉานแล้ว หมดสิ้นเปรติวิสัยแล้วหมดสิ้นอบายทุกติวินิบาตแล้วเราเป็นพระโสดาบันมีสภาพที่ไม่ตกต่ำเป็นผู้เที่ยงแท้ตามธรรมนิยามจะได้บรรลุมรรคเบื้องบนสามภายน้าเราท่องเที่ยวเร่ร่อนไปในหมู่เทวดาและมนุษย์อย่างมากอีกเจ็ดชาติก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ไร้เนี่ยนะมันถ้าใครจะตั้งเป้าหมายตั้งความปรารถนาก็ขอจงเป็นไปเพื่อ เป็นพระโสดาบันกอนเนี่ยนะตั้งเป้าหมายอย่างนี้ก็ได้ดีแน่นะก็ให้มันทิศทางมันชัดๆหน่อยนะว่าเห็นอริยสัจนะมันต้องเห็นอริยสัจทุกเรื่องก็น้อมไปเพื่อรู้เห็นอริยสัจเพราะทัศนะแปลว่าเห็นสู่ที่กล่าวถึงความเห็นเห็นผู้ใดเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ผู้ที่เห็นอย่างนี้แหละผู้ที่ถึงสารณะแบบนี้นี่แหละเกษมปลอดภัยผู้ที่ถึงสารณะแบบนี้ในที่สุดก็ทําที่สุดแห่ง วัตถุทุกได้นี่มาขึ้นภาวนาสูตรบ้างภาวนาสูตรก็คือสูตรของพระสกทาคามีพระอนาคามีบริบูรณ์ที่สุดก็คือพระอรหันต์ภาวน า, า, าสูตรบอกว่าพระอรหันต์บุคคลใดอ บ, บรมอินทรีย์ทั้งหลายแล้วอ บ, บรมศรัทธาจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วอ บ, บรมวิริยะจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วอ บ, บรมสติสมาธิและปัญญาจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วพระอ ร, อรหันต์บุคคลนั้น่ะ แทงตลอดโลกนี้และโลกหน้าทั้งปวงนะแทงตลอดธรรมทั้งที่เป็นภายในและภายนอกคือละโอรัมภาคยาสังโยชอุธรรมภาคยาสังโยตละสังโยตที่ผูกไว้ในโลกนี้ละสังโยชตที่ผูกไว้ในโลกหน้าละสังโยตที่ผูกไว้ในธรรมภายในและภายนอกได้โดยโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นผู้อบรมตนด้วยอริยมรรคเสร็จแล้วฝึกอินทรีย์เนี่ยนะฝึกอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นเสร็จแล้ว ย่อมหวังซึ่งการเป็นที่ปรินิพานแปลว่าอะไรแปล ว, ว่ารอวันตายอย่างเดียวเนี่ยหมายค่ะว่าถ้าทํากิจเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยนะก็เหมือนอะไรก็เหมือนคนไข้ที่รักษาหายแล้วเนี่ยรออะไรรอกลับบ้านอย่างเดียวนะหายป่วยหายไข้แล้วรอกลับบ้านอย่างเดียวนะนี่ก็เหมือนการคนที่ทํางานเสร็จรอรับค่าจ้างฉันใดทหารบุคคลผู้ทํากิจเสร็จแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นความตายของท่านถือเป็นรางวัล ท, ที่ที่ท่านปรารถนามาก ตนใครบ้างเขาบอกว่าแพระ์อาหารได้ข่าวว่าตัวเองจะตายเนี่ยนะดีใจไม่ได้เสียใจเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเขบอกว่าปลดเปลื้องภาระสักทีหนึง่งเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเิล็กโซทั้งหลายบทธรรมนะบทธรรมก็คือโกธาสะส่วนแห่งธรรมสี่ประการเหล่านี้บทธรรมหรือส่วนแห่งธรรมสี่ประการเป็นไงนะคือบทธรรมคืออนนาพิชา บทธรรมคืออพยาบาตบทธรรมคือสัมมาสติบทธรรมคือสัมมาสมาธิานะเรียกว่าบทหรือส่วนแห่งธรรม4ประการเหล่านี้การที่พระพุทธเจ้าแสดงบทแห่งธรรมะสประการหรือเรียกว่าธรรมบทเนี่ยนะธรรมบท4ประการอันนี้เนี่ยเป็นธรรมที่เป็นภาวนาเป็นธรรมที่ควรเจริญพระพุทธเจ้าแสดงเพื่อให้เจริญให้เจริญอะไรเจริญอ น, อนาพิชชา ความไม่เพ่งเล็งเนี่ยนะอนาพิชาคืออะไรคืออะโลภาเป็นประธา น, นนะบทธรรมคืออะโลพาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเจริญเพราะถ้าอะโลพะเป็นประธานเนี่ยนะเป็นประธานเป็นหัวหน้าในการปฏิบัติให้เข้าถึงฌานวิปัสสนามรรคผลและแทงตลอดพระนิพพานนั้นอโลภานี้ควรเจริญเพราะอะโลภาที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมนํามาซึ่งฌานวิปัสสนามรรคผล คำว่าอะโลพาแปลว่าอะไรค่าศึกของโลพาศัตรูของโลพะสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโลพาเพราะนั้นบทธรรมคืออะโลพะนั่นเนี่นะคือการกำจัดโลพะการกำจัดโลพาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ควรเจริญจริงๆอะโลพาหรือความกำจัดโลภะนั้นน่ะควรเจริญเพราะผู้ที่เจริญแล้วทำอะโลพาให้เป็นประธานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงฌานวิปัสสนามขุน หรืออีกในหนึ่งอา น, นาพิชชาตัวนี้หมายถึงอสุภาภาวนาอาสุภอสุภกรรมฐานทั้ง10ประการอันนี้ควรเจริญเพราะผู้ที่เจริญแล้วย่อมทาที่สุดแห่งทุกได้เพราะอโลภเนี่ยนะมีอโลพะนำหน้าในการเจริญการปฏิบัติก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือบทธรรมคือความไม่พยาบาทความไม่พยาบาทก็คืออัพพยาบาทอัพพยาบาทเป็นเชื่อของอะไรเมตตานะไม่โกรธไม่เบียดเบียน ถ้าพูดถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาก็เชื่อว่ากล่าวแล้วพรหมวิหารสีนี้ควรควรตั้งเอาไว้ควรเจริญเมื่อบุคคลเจริญพรหมวิหารสีก็สามารถที่จะยังฌานวิปัสสนามักผลให้ให้เกิดขึ้นได้นี่นะถ้าหากว่าดำรงอยู่ด้วยพรหมวิหารทั้งสี่ประการนั้นบทธรรมคือความไม่พยาบาทหมายถึงพรหมวิหารพรหมวิหารนี่ควรเจริญส่วนบทธรรมคือสัมมาสติหรือธรรมบทคือ ธรรมสัมมาสติหมายถึงอะไรหมายถึงอนุสติ10บก็เป็นธรรมที่ควรเจริญนพุทธานุสติธรมมานุสติสังทานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวานุสติอุปสมานุสติมรณานุสติกายคตาสติและอานาปานสติเนี่ยนะอนุสติเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมที่ควรเจริญหรือสัมมาสติคือการเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญา อันนี้ก็เป็นธรรมที่ควรเจริญเพราะผู้ที่เจริญสัมมาสติดังกล่าวแล้วสามารถปฏิบัติให้ถึงฌานเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลและทำให้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานส่วนบทธรรมอันสุดท้ายคือสัมมาสมาธิหมายถึงการเจริญกสินหรืออ า, าปาณาปนสติเนี่ยนะเป็นต้นสรุปว่าธรรมสีคืออโลพอโทสะอโลภาคืออนพิชาอโทสะคืออพยาบาสัมมาสติและ สัมมาสมาธิถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่ามรแปดนี้ควรเจริญะถ้ากล่าวไปแล้วนะตรงต้ตัวก็คืออริยมรอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั้นควรเจริญเนี่ยนะประการพูดแบบนี้เพื่อการเจริญเรียกว่าภาวนาสูตรคือแสดงให้เจริญซ้อนให้เจริญซ้อนให้ทําภาวนาเนี่ยแปลว่าเจริญหรือแปลว่าทําให้มีให้มีขึ้นแล้วก็พอกพูนมากๆนั่นแหละเรียกว่าภาวนาทีแรกจากไม่มีทําให้มี เมื่อมีแล้วพอกพูนขึ้นเรียกว่าภาวนาส่วนทัศนภาวนาสูตรเป็นไนพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบื้องต่ำห้าพึงละสังโยชน์เบื้องสูงห้าสอนให้ละเลยอันนี้เป็นทัศน์บอกว่าต้องละเลยนะเห็นเห็นว่าต้องละเลยสังโยชน์ เบื้องต่ำห้หมายว่าสังโยชน์ที่ฉุดไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกฉุดให้อยู่ในกามะพบมีอยู่ห้าอย่างห้าอย่างมีอะไรบ้างสกายธิฐิวิจิกิจฉาสีละพัตะปรามาสามอย่างนี้เป็นตัวฉุดไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนอีกสองตัวนี่นคือกามราคะกับพยาบาทอันนี้ก็เป็นควรละเพราะว่าเป็นตัวที่ฉุดให้อยู่ในกามาวจรพบส่วนสังโยชน์เบื้องสูงที่ผูกให้ไปผูกมัดไว้กับรูปประพบและอรูปประพบคือ อรูปปราคอรูปปราค า, ปป า, คามานะอุทจฉาและอวิชชาดนั้นพึงละสังโยชนิสิคือสกายติฐีวิจิกิจฉาสีละพรตะปรามากามราคะปฏิฆะรูปปราคารูปปราคะมานะอุทจฉาและอวิชชาเป็นสิ่งที่ควรละการแสดงให้เห็นว่านี้คือสิ่งที่ควรละอันนี้เรียกว่าทัศนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าพึงเจริญอินทรีย์ห้าให้ยิ่งขึ้นไป ผู้ก้าวล่วงเครื่องข้องหอย่างได้แล้วเราเรียกว่าเป็นผู้ข้ามโอคะทั้งสได้แล้วอันนี้เรียกว่าภาวนาให้เจริญอินทรีห้าเจริญอินทรีห้าคือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปให้ถึงอรหัตตมรรคเพราะผู้ที่เจริญอินทรีย์าจนถึงอรหัตตมรรคแล้วจะละเครื่องข้องคือราคะเครื่องข้องคือโทสะเครื่องข้องคือโมหะเครื่องข้องคือมานะเครื่องข้องคือทิฏฐิผู้ที่ ละเครื่องข้องอย่างเงี้ยข้ามโอคะคือกิเลส ท, ที่เปรียบเหมือนห่วงน้ำที่ท่วมทับไปได้อันนี้เป็นการแสดงแบบทัศนะกับภาวนาสูตรอีกสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระเหล่านี้มีสามประการอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระสามประการเป็นฉนะไหนอนัญญาตัญยัตสามีตินทรีย์หนึ่งอัญยินทรีย์หนึ่งและอนญาตาวินทรีย์หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายอนันตายตัญยัตสามีตินซีเป็นไะภิกษุในศาสนานี้ยังกุศลฉันทาให้เกิดขึ้นเพียรพยายามประคองติดตั้ง จ, จิตเพื่อการรู้ทุกขริยศั s a t ที่ยังไม่รู้ภิกษุในศาสนานี้ยังกุศลยังฉันทาให้เกิดขึ้นเพียรพยายามประคองจอิตตั้งจิตเพื่อการรู้ทุกขสมุทัย a r i y a s a ที่ยังไม่รู้ ภิกษุในาศาสนานี้ยังกุศลฉันทาให้เกิดขึ้นเพียรพยายามประคองจิตตั้งจิตเพื่อการรู้ทุกขสมุต ท, ทุกขนิโรธอริยสัจที่ยังไม่รู้ยังกุศลฉันทาให้เกิดขึ้นเพียรพยายามประคองจิตตั้งจิตเพื่อการรู้ทุกขานิโรธอริยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจที่ยังไม่รู้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอนัญญาตัญญสามีติมีอันนี้เป็นทัศนะ เพราะว่าโสดาปฏิมักเนี่ยนะคืออะไรก็คือการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงอริยสัจสี่ที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทั้งทุกขอริยสัจก็ไม่เคยรู้เห็นมาก่อนสมุทัยอริยสัจก็ไม่เคยรู้เห็นมาก่อนนิโรธอริยสัจก็ไม่เคยรู้เห็นมาก่อน ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจหรืออริยมรรคก็ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนการปฏิบัติเพื่อรู้เห็นอริยสัจ4ี่ประการที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้แจ้งแทงตลอดโดยที่สุดแม้ในความฝันอย่างน้อยที่สุดบางคนอาจจะฝันบางอย่างได้แต่ว่าไม่เคยฝันว่าบรรลุเนี่ยนะเพราะการรู้อริยสัจนี่แหละเป็นทัศนะเนี่ยนะ เพราะคําว่าอนัญญาตัญยัตสามีตินรียนั้นหมายถึงการรู้เห็นอริยสัจที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้ก็เป็นโลกุตระอินรีย์ที่เป็นโลกุตระอันนี้เป็นทัศนะเพราะว่าอนัญญาตัญยัตสามีตินทรีย์คือโสดาปฏิมักส่วนอัญยินทรีย์เป็นไนอัญยินทรีย์คือโสดาปฏิผลสกาธาคามีมกักสกาธาคามีผลอนาคามีมกักอนาคามีผลและอรหัตตมักเรียกว่าอัญยินรียอธิบายว่า ภิกษุในศาสนานี้ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่าเตภูมิกธรรมหมายว่าธรรมที่อยู่ในภูมิสามนี้เป็นทุกขสัตย์รู้ตามรู้เห็นตามความเป็นจริงตัณหานี้ชื่อว่าทุกขสมุทัยย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงว่านิพานชื่อว่าทุกขานิโรทย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าอาริยมรตมีองค์แปดนี้ชื่อว่า ทุกข์นิโรธาขามินีปฏิปทาที่สู่ทั้งหลายนี้ชื่อว่าอัญญรีอัญญรียก็คือการรู้เห็นอริยสัจที่เคยรู้เห็นมาแล้วด้วยอนุภาพของโสดาปฏิมาอันโสดาปฏิผลก็คือเห็นอริยสัจ ร, รู้อริยสัจ ต, ตามที่เคยรู้เคยเห็นสกข า, าคามีมกักสกข า, าคามีผลอนาคามีมกักอนาคามีผลตลอดจนถึงอรหัตต์ต่ำมักก็ในยะเดียวกันอัญญรียก็คือรู้เห็นอริยสัจที่เคยรู้เห็นมาก่อนแล้วนั่นเอง ส่วนัญญาตาวินศีก็คืออรหั ต, ตผลเนี่ยนะเป็นไฉนภิกษุในศาสนานี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะเพราะอาสวะสิ้นแล้วด้วยการรู้เองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ว่าสิ้นการเกิดแล้วเหมือนว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทาทาเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ ไม่ได้มีอันนี้เป็นอนัญญาตาวินสีคืออรหัตตผลอรหัตตผลนี่แหละเป็นเหตุให้ปัจเจกขณะยานเกิดขึ้นปัจเจกขณะยานที่เกิดขึ้นรู้ว่าชาติการปฏิสนธิในภพต่างๆสิ้นแล้วการอยู่ประพฤติอริยมรตโสดาปติมรตสกาาคามิมรตอนาคามิมรตอรหัตตะมรตของเรานี่เสร็จแล้วกิจ16ที่ทําในอริยสัจสี่ ด้วยมรซีเราก็ทำเสร็จแล้วกิจในการแ ท, แทงตลอดอริยสัจอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วพิกษุน์ทั้งหลายนี้ชื่อว่าอัญญาตาวินซีเพราะฉะนั้นคำว่าอัญยินซีอัญญาตาวินซีนั้นเป็นภาวนาเป็นสิ่งที่ควรเจริญเป็นสิ่งที่ควรทำให้ให้มีขึ้นจบไปอีกชุดหนึ่งครับขึ้นชุดใหม่เลยว่าสะกะวจนสูตร คำพูดของตนเนี่ยนะคำพูดของตนตนในที่นี้หมายถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าผู้เป็นของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราพวกองตรัดว่าอย่างไรสะพะปะปะสะการณังกุสลสู้ปะสัมปทาส จ, จิตตะประโยชน์ถนังเอตังพุทธานาซาสนังเนี่ยนะก็คือการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมให้สมบูรณ์การอบรมจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาซาสนังนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย การไม่ทําบาปทั้งปวงเป็นอะไรอธิศีละสิกขาการทำํำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นอธิจิตตสิกขาสจิตตประโยชนทปานังก็เป็นชื่อของอธิปัญญาสิกขาก็คือเจริญศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาที่ประชมกันเรียกว่าอริยมรรคสประการนี่แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สกาววจนะสูตรอีกต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เหตุให้คนอื่นรู้จักคนพาลซึ่งเป็นลักษณะของคนพาลเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายก็คือยี่ห้อนะเครื่องหมายการค้าของคนพาล น, นะเป็นนิสัยของคนพาล น, นี่มีสามประการสามประการอะไรบ้างคนพาลเนี่ยนะมักคิดแต่เรื่องชั่วถ้าจะพูดก็พูดแต่เรื่องชั่ว ถ้าจะทําก็มักทําแต่เรื่องชั่วท่นตรงนี้ผู้แปลก็ใช้คําว่ามักนะนี่มักก็แปลว่าชอบชอบทําแบบนี้เป็นปกติสรุปว่าคนพาลถ้าจะคิดมันคิดอะไรคิดด้วยอํานาจอภิชาคิดด้วยแรงพยาบาทคิดตามอํานาจของมิจฉาทิฐิคนพาลเนี่ยนิยมคิดแบบนี้นะมักจะคิดแบบนี้เธอว่าเป็นสันดานของคนพาลสันดานของเขาคิดด้วยอภิชาคิดด้วยพยาบาทดิ่งลงด้วยอํานาจของมิจฉาทิฐิ เอาถ้าจะพูดล่ะคนพาลมักจะพูดคำพูดที่หลุดออกมาเท็จสองยุยงให้แตกกร้าวกันสามหยาบสี่มีประโยชน์รายซากอย่างเนยนะฟังอยู่เครื่องชั่วโมงยังไม่รู้ว่าพูดให้เป็นอะไรเลยอย่างเงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนพาลนี่ถ้าจะพูดก็พูดแต่ว่าจีทุจริตสีประการพูดเท็จพูดซอเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพอเจอร์ไร้ประโยชน์คนพาลถ้าจะทา ก็ทำแต่ความเชื่อคือปาณาติบาตอธินนาทานและตาเมสุมิจฉาจารพิสุทังหายสิ่งที่เป็นลักษณะเครื่องหมายของคนพานินสัยของคนพาณ์เนี่ยนะานละละักษณะพาละนิมิตพาละปาทานของคนพาณิสามประการนี่แหละอันนี้ก็คือเครื่องหมายถ้าไม่มีเครื่องหมายแบบนี้ใครจะไปรู้ได้ว่าเขาเป็นคนพาณชยเพราะเขามีเครื่องหมายทางความคิดทางคาพูดและ ทางการกระทําทําให้บัณฑิตทั้งหลายก็รู้ได้ว่าเออนี่มันคนพาณนนิชยมั้งพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เป็นเหตุให้คนอื่นรู้จักบัณฑิตให้รู้จักซึ่งลักษณะของบัณฑิตเป็นเครื่องหมายของบัณฑิตและก็นิสัยของบัณฑิตมีอยู่สประการสประการอะไรบ้างบัณฑิตมักคิดแต่ความคิดที่ดี ถ้าจะคิดก็มีแต่วความคิดที่ดีถ้าจะพูดก็มีแต่คําพูดที่ดีถ้าจะทําก็ทําแต่สิ่งที่ดีเพราะคนบัณฑิตทั้งหลายจะคิดด้วยอํานาจอภินาปิชาบัณฑิตทั้งหลายจะคิ ด, ดด้วยอํานาจอัพภิบาตบัณฑิตทั้งหลายจะคิดด้วยสัมมาทิฐินะคิดด้วยอภินาปิชาอัพภิบาตและสัมมาทิฐินั่นเองเพราะบัณฑิตถ้าเขาจะคิดเนี่ยถืออะโลภะนาหน้าความคิดของเขาถือเอาอะโทสะนําหน้า ความคิดของเขาถือเอาปัญญานําหน้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิวันถือเอาอาโลภาอโทสะอะโมหะนําหน้าในความคิดเรียกว่าถ้าบัณฑิตเขาจะคิดคิดแบบนี้นี่คือความคิดของบัณฑิตถ้าบัณฑิตจะพูดพูดอยู่ในคําสัตย์คําจริงพูดให้คนสมัครสมานสามัคคีและปลองดองกันถ้าบัณฑิตจะพูดก็พูดแต่คาําไพเราะ ถ้าบัณฑิตจะพูดก็พูดเหมาะแก่การประสานประโยชน์คำพูดทุกอย่างประกอบไปด้วยเมตตาอยู่ด้วยความหวังดีและปรารถนาดีนี้เป็นเรื่องของคำพูดของบัณฑิตทั้งหลายถ้าบัณฑิตจะทำก็ทำอะไรก็ได้ที่มันเว้นจากปานาติบาเว้นจากอันดินนาทานและเว้นจากกาเมสุมิชฌาจาร์ น, นะพันทิศุทั้งหลายสิ่งนี้แหละคือความคิดคำพูดการกระทา นี่แหละเป็นลักษณะของบัณฑิตเป็นเครื่องหมายของบัณฑิตเป็นนิสัยของบัณฑิต3ประการนี่แหละใ น, นกาถ้าเป็นในภาลับัณฑิตสูตรก็แสดงร่ายยาวเลยถ้าบัณฑ์ถ้าคนพานทําแบบนี้แล้วจบลงที่ไหนถ้าบัณฑิตทําตามนี้แล้วจบลงที่ไหนเรียกว่าความเป็นไปของคนพานอย่างบริบูรณ์และความเป็นไปของบัณฑิตอย่างบริบูรณ์เนี่ย น, นะก็ยังว่านะจุดจบของพานก็อบายทุกขติวินิบาตนรก จุดจบของบัณฑิตก็คือสุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าไม่ใช่บัณฑิตแท้ก็กลับไปพานได้ถ้าไม่ใช่พานแบบแหม่ดิ่งจริงๆก็กลับมาเป็นบัณฑิตได้ก็สลับคร่คาครากันไปเดี๋ยวก็พานเดี๋ยวก็บัณฑิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็หายป่วยเดี๋ยวก็ป่วยไม่ทํำยังไงได้นะแต่ว่าอันนี้พระพุทธเจ้าแสดงแยกแยะให้เห็นอย่างนี้จริงๆนะว่าออถ้าคนพานก็เป็นอย่างนี้พาระแเลย ว, ว่างโง่เขลาเนี่ยนะ ที่จริงเนี่ยนะถ้าคิดก็คิดแต่งโง่โง่ก็คือคิดอะไรก็คิดด้วยอาพิชาพยาบาทและมิชาที่ ท, ทีนี่แหละก็คิดแบบโงๆ่โๆง่เหมืนก็ภาละแปลว่าโง่จริงอ่ะนี่ไม่ได้ปนนแปลเองนะเขาแปลตามหลักการแล้วก็ถ่าคนพูดก็พูดแบบโง่โงกนัน้ะพูดเท็จพูดคําหยาพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทําก็ทําแต่เรื่องโง่โงเนี่ยนะทำโง่โง่ทำไงฆ่าข้อช่อโกงแล้วก็การเมเนี่ยนะ ถ้าทําอย่างนีนะ้จบที่ไหนก็อาบายทุกติวินิบาดนรกนั่นแหละถ้าฉลาดทำอ่ะฉลาดพูดฉลาดคิดอ่ะถ้าจะคิดก็คิดเอาความโลภเออเอาความไม่โลภนําหน้าเอาความไม่โกรธนําหน้าแล้วก็มีปัญญานําหน้าถ้าจะพูดก็คําสัตย์คาจริงเป็นต้นนําหน้าถ้าจะทําก็สิ่งที่ทําต้องไม่เกี่ยวกับการฆ่าการรักและทุประพฤติผิดในกรามเนี่ยนะห่างสิ่งเหล่านั้นออกมานี่แหละเป็นเครื่องหมายลักษณะยี่ห้อของ บัณฑิตอันนี้เป็นลักษณะคาสอนของเรานะพระพุทธเจ้าสอนใน ล, ลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นพระวจนะสูตรเป็นพวกอื่นพูดละ่ะรัที่อื่นเขาพูดก็บอกว่าสิ่งที่กว้างเสมอด้วยแผ่นดินย่อมไม่มี้แผ่นดินนี่มันกว้างใหญ่ที่สุดมถึงอากาศที่ไหนล่ะใช่ไหมในขณะนั้นเขาบอกว่าแผ่นดินนี่กว้างที่สุดส ถ, สถานที่อันรุ่มลุกเสมอด้วยบาดาลไม่มีบาดาลนีลึกจริงจรเ อีกถึงบอกสิ่งที่สูงเสมอด้วยภูเขาสเนรุย่อมไม่มีบุรุษผู้เสมอด้วยพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมไม่มีอันนี้แหละเป็นคําพูดของลัทธิอื่นของาศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ตามแนวของพระพุทธเจ้าไม่ต้องคิดตามานะเพราะความคิดเขาแคบได้เท่านั้นจริงๆครั้งหนึ่งท้าวิเท้าเวปจิติจอมาสูนคือเทวดาเนี่ยนะเท้าเวปจิติจอมาสูนกับเท้าสักกานี่เขารบกันเป็นเรื่องปกตินะเขาบอกว่าก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนะี่ยเท้า วิปจิตติอสูรเนี่ยคือเป็นผู้ที่ปกครองสวรรค์ชันดาวดึงโดยปกปติทีนี้มาฆามานพเนี่ยทำบุญแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเท้าวิปจิตติอสูรก็จัดเลี้ยงต้อนรับก็เลยขนสุรายาบาลมาเต้ไปหมดเลยเนะีท้าสกา ก, ก็คิดว่าโอ้เรานี่ยทำบุญมามากมายต้องมาเกิดอยู่ร่วมกับขี้เมาทุกใจมากก็เลยแกล้งมอมเหล้าพวกนั้นจะเมาแหมหมดพอเมาเกลี้ยงปอก็จับคว้างลงทะเลหมดเลย จับคว้างลงทะเลก็ตกไปจ น, นเขาก็เลยสร้างเมืองอยู่ที่เมืองนี่แหละเรียกว่าเมืองเมืองของอสูร น, นะก็เลยเกิดเป็นเมืองทีนี้ที่ดาวดึงเนี่ยมีต้นปริชัตตะกามันก็บานทีนี้ที่ เ, เมืองเมืองของอสูรนี่ก็มีต้นอะไรนะต้นอีกต้นหนึ่งมันกันนะมันบานทีนี้พอพวกดอกไม้เหล่านี้บานเนี่ยท้าวเวปจิตติอสูรนี่ก็คิดถึงอยากจะไปดาวดึงคืนนะคิดถึงว่าแหมพวกเท้าสักกะเนี่ย ไม่ดีเลยเนี่ยนะเขี่ยพวกเราทิ้งมาเนี่ยโกรธแค้นก็จะไปรบเอาดาววดึงคืนเขาก็จะมีการรบหลายรูปแบบเนี่ยนะแต่ว่ารบแบบเทวดารบกันก็เหมือนกับเด็กเล่นนั่นแหละเขาปังเป้งปังเป้งลวใครก็แบบใครมีอํานาจปว่าคนนั้นก็ชนะไปไม่ได้เข็นฆ่าเลือดอกเยเลือดตกยางออกอะไรสักนิดหรอกมันยังกับเด็กเล่นนะั่นนหะใครเพียงว่าอะไรนะใครแบบลํำพองเก่งกว่ากันค่าแบบนั้นนะทีนี้เขามีการรบหลายวิธีด้วยกันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขารบแบบ ทาวิปจิตติอสูรก็กล่าวตักท้าวสก่าว่าท่านจอมเทพเรามาชนะกันด้วยการกล่าวคําสุภาษิตเถอดเอาเรามาพูดคำคำพูดที่ดีแก่กันสิเรียกว่าโตวาทะกันดีกว่าท้าวส ก, ก่าจอมเทพก็ตรัสว่าท้าววิปจิตติอะตกลงเรามาชนะการด้วยคําสุภาษิต ท, ท่านจงกล่าวคาถาเถอดก็คือท้าวส ก, ก่านี้ก็อะจะโตวาทะก็ได้แต่ว่าเอาท่านพูดก่อนก็นแล้วกัน ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นแหละท้าวเวปจิตติอสูนก็ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าถ้าไม่มีใครขัดขวางคนพาลเพ่งทำลายได้มากมายเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเพ่งห้ามพวกคนพาลไว้ด้วยอาจยาที่รุนแรงคนพาลเนี่ยนะคนเลวคนชั่วเนี่ยนะถ้าเราไม่มีใครไปห้ามมันนะถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีความรุนแรงไอ้พวกนี้มันกำเริบเสบสารมันมิ่งแต่มีการ ทำลายมันมีแต่ทำลายมีแต่ทำลายเพราะฉะนั้นจะต้องใช้อาทยาเป็นต้นใช้กฎหมายเป็นต้นมาเพื่อจะลงโทษไอ้พวกคนพาลเหล่านี้ให้ได้อันนี้ก็โอ้โหทาวิปจิตติอสูรก็กล่าวอย่างนี้เมื่อเทาวิปจิตติอสูนได้กล่าวคาถาดีแล้วพวกอสูรก็พากันชื่นชมยินดี้ดีจริงๆเลยเจ้านายเราเก่งมากพวกเทวดาก็ใชยเนี่นยนะครั้งนั้นท้าวิปจิตติจอมอสูรก็ได้กล่าวกับเท้าสักกะจอมเทพวพท่านจอมเทพ ท่านจงกล่าวคาถาเถิดท่านพูดบ้างมางั้นท้าววิปจิตติอสูรกล่าวเช่นนี้แล้วท้าวสักกะจอมเทพก็กล่าวคาถามีว่าผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้เราเห็นว่าการสงบใจไว้ได้ของผู้นั้นเป็นการกีดกันของพวกคนพาลได้เพราะฉะนั้นเทวดาเขาบอกว่าไอ้ความไม่โกรธ ถ, ถ้าเห็นคนอื่นโกรธแล้วตัวเองเนี่ยพิจารณาโดยโรอบครอบเสร็จแล้วไม่โกรธเนี่ยนะอันนี้สิจึงจะดีจริงว่างั้น เมื่อท้าวสกกะกล่าวอย่างนี้แล้วพวกจอมเทพก็พากันยินดีอสูรก็ช่ยมันเห็นไม่เหมือนกันอนะ่ะมันคิดไม่เหมือนกันคืออสูรก็บอกว่าถ้าจะขวางคนเลวนะมันต้องขวางด้วยอาญยาอาทยาก็แปลว่าการลงโทษลงต้องลงโทษแบบรุนแรงด้วยนะต้องลงโทษแบบรุนแรงประเภทอะไรนะแบบประเภทเราว่าถ้าทางโน้นมาทําร้ายเรานะเราทางนี้ก็ต้องทําร้ายเป็นสิบสิบเท่านั้นแหละให้มันสะสมเงินไปไอาการที่จะห้ามมันต้องห้ามแบบนี้สิ จึง จ, จงจะงะสะใจว่างั้นเนี่ยจึงจะแก้ปัญหาได้เทวดาก็บอกว่าเราต้องอดทนนะเราต้องสงบใจเราต้องไม่โกรธ ถ, ถ้าเราไม่โกรธสงบใจได้นี่แหละเป็นการชนะคนพาลอย่างแน่นอนว่างั้น